พูดถึงพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยนะคือเราได้กล่าวมาในด้านที่ว่าพระพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมนั้นมีขึ้นมาได้อย่างไรเนี่ยนะ น, นับตั้งแต่บเบื้องต้นะก็คือมีขึ้นได้เพราะอะไรเพราะพระองค์รวบรวมธรรมะสมุทานประชุมธรรมะแปดประการเมื่อสาเร็จแล้วเนี่ยนะได้รวบรวมธรรมะ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 ก็รวบแยกแยะพินิษพิจารณาละเอียดครบถ้วนบริบูรณ์สมบูรณ์ก็เห็นบารมีสิบอุปปารมี10บปรมัทธปารมี10บเนี่ยนะแล้วก็มหาบริจาคเป็นต้นซึ่งเป็นคุณธรรมเครื่องอบรมบ่มโพธิญาณแล้วก็มีการสมาทานถือเอาบารมีทั้ง10ประการนั้นเรียกว่าเป็นการสมาทานที่ไม่มีการสมาทานไหนจะเสมอเหมือนเรียกว่าสมาทานสร้างบารมีเนี่ยแผ่นดินไหวว่างั้นเถอะ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 ความชราอันนี้ได้ท่านจะไม่เอาบอกว่าใครใครแก่ความแก่ของใครใครเกิดความเกิดของใครท่านจะไม่คิดแบบปุปนนตปุชนทั้งหลายคิดปุตุชนนี่จะมีคําว่าใครผู้ใดของใครอยู่ตลอดจะมีอ่าเรียกว่าเพราะปุตุชนทั้งหลายอยู่บนพื้นฐานแห่งสักกายะเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยความเป็นอัตตาเห็นด้วยความเป็นตนหรือเห็นเป็นสัตว์เป็น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 นะอีกภาคหนึ่งก็ไปเห็นคนป่วยเข้าโอ้ยความความเกิดนี่มันเลวจริงๆเลยนะเลวร้ายมากถ้าไม่เกิดจะแก่จะป่วยอย่างนี้หรอความเกิดนี่เลวร้ายมากนะนะเพราะอะไรเพราะผลผลิตของความเกิดก็คือความแก่และความป่วยเจ็บปวดทรมานแล้วเกินก็มาจากเกิดนี่แหละไปเห็นคนตายปั๊บหมาความเกิดนี่ช่างเลวจริงๆ เ, ๆ, ๆเลยนะถ้าไม่เกิดจะแก่จะตายอย่างนี้ไหมล่ะอะไรถ้าไม่เกิดจะทุกข์แบบไหน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 คนที่คิดว่ามีตัวมีความสุขเนี่ยคิดได้คิดเป็นอ่ะนะคิดเก่งมากนะเรียกว่าแม่เลียนน้ำผึ้งแผลบเข้าไว้ลิ้นเนี่ยสีห้าแชกไปแล้วบอกแม่อร่อยจังเลยเนี่ยนะเออคิดเป็นจริงเนี่ยนะเข้าใจคิดแต่ว่าเราไม่ไม่เข้าใจว่ามันอร่อยตรงไหนมีความสุขตรงไหนบ้างมีแต่ความทุกข์ทรมานเนี่ยนะมีแต่ความเจ็บปวดนั่นยัง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 แล้วแต่แล้วแต่ว่าโบหารบัญญัติอาจจะได้บุญเก่ามาดีอาจจะเห็นซุย้ยเห็นสีที่ดีฟังเสียงที่เพราะรู้กลิ่นที่อร่อยบ้างแต่แท้สรุปสรุปก็ชราและมรณะเนี่ยนะเรื่องพระองค์เนี่ยท่านคิดได้พระโพธิสัตว์เนี่ยท่านคิดได้เมื่อท่านคิดได้อย่างนั้นเข้าเออทำยังไงเนาะคิดสิ่งที่ตรงกันข้ามจากความเกิดความแก่ความตายก็คือทำที่ดับความเกิดต้องมีแน่ทำที่ดับความแก่ความตายต้องมีแน่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 ทางนั้นจะต้องมีอยู่เป็นแน่ทางนั้นคืออะไรก็เลยเรียกคาว่าบวชและสแสวงหาว่าอะไรคือกุศลและสแสวงหาบทอันสงบเรียกว่าสันติบรรบทเนี่ยนะเป็นชื่อของพระนิพพานบทอันสงบสงบจากชาติชรามมรณนะโสกะปริเทวะบทอันนั้นคืออะไรแล้วกุศลธรรมที่จะให้เข้าถึงบทอ น, นั้นคืออะไรนั้นะคือคือโจทย์หลักของชีวิตเนี่ยนะคือพื้นฐานของ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 ท่านไม่ถือว่าสิ่งอื่นเป็นอุปสรรคเป็นภาระท่านคือกษัตริย์ไทยเป็นพราหมณ์เป็นแพทย์เป็นสูตรอยู่ชนชาติวรรณะไหนจนมั่งมีร่ำรวยท่านไม่ใส่ใจเรื่องนั้นแม้แต่อย่างเดียวใส่ใจแต่ว่าเกิดแก่เจ็บตายไอ้ที่สุดของความเกิดแก่เจ็บตายมันคืออะไรใครจะเป็นอะไรก็เป็นไปเถอะเนี่ยนะใครจะเรียกจักรพรรดิใครจะเรียกเจาก้าชายใครจะเรีย ก, ายย ก, ท, ายกทานเรียกกันทานเรียกกรรมกรเรียกอะไรก็เรียกไปเถอะแต่สิ่งที่พระองค์ใส่ใจอยู่สาระคือล้วนๆนะก็คือทุกข์สัตย์กับ สมุทัยยสัจจะคือทุกข์กับเหตุให้เกิดทุกข์คืออะไรเนี่ยนะ พ, พระองค์ก็เลยเรียกว่าออกบวชจนได้วิจัยเลือกเฟ้นจนรู้ว่าชรามรณะชรามรณะสมุทัยชรามรณะนิโรชรามรณะนิโรทัศ า, ามินีปฏิปทาแล้วก็วิจัยเลือกเฟ้นแล้วก็เลือกเฟ้นจนเรียกว่าสาระที่สุดที่จะปฏิบัติให้ถึงที่สุดแห่งชราและมรณะคืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8หรือที่เราเรียกว่าโพธิปัจจะธรรม ก็โพธิปัจกียธรรมอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดนี่แหละคือสาระที่จะเป็นข้อปฏิบัติให้ตรัสรู้ที่ที่ธรรมะที่สุดแห่งชราและมรณะอันนั้นและทํำยังไงผมก็เลยเจริญกุศละธรรมเรื่อยๆเจริญสัมมาธิฏฐิสัมมาสังกปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสา ม, มาธิมีผู้กล่าวว่า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 ไม่เคยเบลอและไม่เคยเผลอไม่มีฟุ้งเลยไม่มีแบบฟุ้งซ่านหรือคิดปกติเนี่ยคนหนาวคิดถึงอะไรคิดถึงความอบอุ่นคนหิวคิดถึงอิ่มคนที่ง่วงคิดถึงความหลับหรือคิดอะไรที่แต่พระองค์ไม่คิดจะออกจากวัฏฏะอย่างเดียวในท่ามกลางว่าที่สุดแห่งทุกเหล่านั้นทั้งหมดอยู่ที่ไหนและพระองค์ก็เห็นว่าเออท่า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 ปัญญีนีก็ยังรักษาไว้ตามเดิมก็จะจนถึงการแยกกุศลวิตกอกุศลวิตกวิจัยอะไรเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิอะไรเป็นสัมมาสังกัปปมิจฉาสังกัปปวิจัยเลือกเฟ้นเห็นแล้วว่ายังขาดอะไรบ้างขาดสมาธินีเนี่ยนะก็คือร่างกายนี่มันเหน็ดเหนื่อยเกินไปเนี่ยนะร่างกายไม่คู่ควรที่จะรองรับได้แล้วก็โดยปกติวิสัยของพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์เป็นนิยามธรรมดาว่าจะต้องตรัสรู้ด้วยอนาปานสติเป็นบาท เป็นบาปที่จะบรรลุมรรผลก็เลยทําให้น้อมไปเพราะบริโภคปัจจัยและพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เนี่ยนะต้องบริโภคข้าวมาทุปายะก่อนที่จะตรัสรู้เนี่ยนะซึ่งที่เรียกว่าเทวดาเอาโอชาทิพย์เนี่ยมาหยอดเต็มไปหมดเลยมันจะต้องอาหารสัปพายะชั้นเลิศแล้วก็ต้องสามารถที่อาหารรองรับชีวิตได้49วันบเก้ันนะอาหารนั้นต้องเป็นอาหารชนิดดีและประณีที่ดํารงชีวิตอยู่ได้ไม่ต้องบริโภคไม่ต้องอะไรเลยอีก49วัน